แบบพิการฟังธรรมะนานทางด้านปฏิบัติทั้งผู้เทศทั้งผู้ฝังมากไม่ค่อยมีคำว่าพิธีเื่นฟังพอบินพิธีเทศพอวิณนพิธีอย่างนี้ทางภาคปฏิบัติ ไม่นามาใช้กันสำหรับผู้มุ่งอัดมุ่งทำรนจริงไม่นำมาใชา้แต่ถ้ากว่ามุ่งต่อโลกาภิษฐ์อยู่แล้วอาจมีถ้ามุ่งต่อโลกามิก็ไม่เรียกว่าปฏิบัติมันก็มาขัดกันตรงนี้เพราะฉะนั้นจึงไม่จึงพูดว่าทางด้านปฏิบัติแล้วไม่มีพิธีฟังพอเปนพิธี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 นตะกีเหลือล่วงเข า, เขาไปออะไรไปหมดเหมือนกับโจรผู้ผู้ร้ายน่เนเขาไปขโมยของขอะไรของในบ้านหมดก็ไม่รู้เราไม่เคยทำจริงทำจังไว้ตํานิติเตียน ต, ๆๆตูโทษพระพุทธเจ้าและพระสาวกพุทธบริษัททั้งหลาย ว่าเทศคนได้สำเร็จมะพผลนนิพพานได้สำเร็จยังไงเพียงเทศเ ท, ศเท่านั้นหวงังบางคนไม่เชื่อก็มีว่าผู้เทศจะสามารถยังบุกผู้ฟังให้สำเร็จมะพรุนนิพพานได้และผู้ฟังไม่สามารถจะบรรลุธรรมได้ในขณะที่ฟังนี่เป็นความคิดเห็นของคนประเภทที่ลอยลมคือสักด์แต่ว่าอย่างนั้นทั้งนั้น ถือศาสนาเขาสักแต่ว่าถื อ, ถ, อถามว่าถือศาสนาอะไรถือศาสนาพุทธมันก็มีแต่ชื่อของพุทธเต็มปากเต็มคอแต่ไม่เคยมีธรรมเข้าไปเกี่ยวข้องกับหัวใจเลยขึ้นที่ว่าพุทธมาทำมาสงฆ์ไม่ใช่เป็นของเล็กน้อยไม่ใช่เป็นของเล่นไม่ใช่เป็นของพิธีที่พอจะนํามาทําเล่นๆอย่างนั้นแล้วประเภทที่เล่นๆ น, นี้แหละเป็นประเภทที่ทําลายศาสนา ดังที่เราทราบๆกันทำลายจะมีเจตนาหรือไม่มีไม่สำคัญคือหนังไม้มันหลุดจากมือของเราลงบนทับเท้าของเรานี่มันก็เจ็บได้ ท, ทั้งที่เจ้าของไม่มีเจตนาหรือมีถูกมือเจ้าของโดยมีเจตนาจับฟันมือมันก็เจ็บได้เป็นแผลไดน้นี่คาพูดที่เป็นภัยแต่ตน้นศาสนามันก็เป็นได้อย่างอย่างทาลองเดียวกันนี้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 จะไม่จะเ ป, เป็นเป็นอื่นได้อย่างไรเพราะเหตุกับผลเป็นความเกี่ยวเนื่องไปโดยลําดับการทํำด้วยเต็มเม็ดเต็มหน่วยผลจะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยได้อย่างไรต้องเต็มต้องได้เพราะฉะนั้นครั้งพุทธการท่านแสดงทำผู้บรรลุธรรมจึงมีจํานวนมากโดยเหตุผลดังที่กล่าวมา ท่า น, นตกมาสมัยทุกวันนี้ศ า, าสนาซึ่งเป็นของแท้ของจริงของท่านผู้ิเศษวิษสโสของท่านผู้ทำจริงรู้จริงเหงจริงสั่งสอนสัตว์โลกจริงด้วยธรรมนั้นๆแล้วธรรมเหล่านี้ก็มากลายเป็นธรรมพิธีให้แก่โลกที่เป็นโลกพิธีผู้นับถือจำเป็นพิธีพอเป็นลางๆอะไปนั้นอะไรแล้วก็เลื่อนก็ลางก็จางไปหมดปลอมไปหมดเพราะหัวใจพาให้ปลอมหัวใจไม่จริงแต่ อ, อย่างเดียวอะไรก็ปลอมไปหมด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 ศา ส, สนาว่าผลเป็นมีได้รับมากน้อยอย่างไรหรือการ์ดิโมคาไปหมดก็เป็นไปตามเหตุผลดังที่กล่าวมานี้ก <c oughs> ารฟังธรรมซึ่งเป็นหลักสำคัญที่จะปฏิเสธจะไม่ได้ในการรับผลก็คือฟังด้วยความตั้งอกตั้งใจมีความรู้มีสติกากับอยู่กับตัว นี่เท่านั้นเป็นหลักใหญ่นี่คือว่าได้ตั้งภาชนะไว้เรียบร้อยแล้วการแสดงธรรมท่าท่านผู้รู้จริงเห็นจริงแสดงธรรมจะไม่หนีจากธรรมคือของจริงของจริงกับของจริงต้องเข้ากับต้องเข้ากันได้ผู้ฟังฟังจริงๆผู้แสดงแสดงจริงๆแสดงด้วยอาถรรมเป็นข้อเท็จจริงจริงไม่ได้ลูกได้คามาแสดง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 ต้องมีวันสะตาขึ้นวันหนึ่งจนได้จากน้ำสะอาดคือธรรมพระพุทธเจ้าทรงประกาศสอนโลกทรงใช้ต่อโลกมานานแล้วแล้วได้รับผลเป็นที่พึงพอใจมาเดิมหนับแม้คำว่าสังขังสนังกระฉามนี้เลาเ่ากล่าวถึงท่านเพื่อประโยชน์อะไรถ้าไม่ใช่เป็นผู้สะอาดหมดสุดเต็มที่แล้วจากน้ำคือพระธรรมของพระพุทธเจ้าอำ า, าจเฉยจนสะอาด และวทำมังสะนังกระฉามิซึ่งเป็นธรรมที่บริสุทธิ์แท้ไม่ออกมาจากพระไทยที่บริสุทธิ์ของเบญเจ้าจะออกมาจากไหนพระไทยที่จะบริสุทธิ์ได้เพราะการชำระการสะสางการขัดเกลารการฉาล้างด้วยอับ ด, ด้วยธรรมน่นะเป็นความจริงมาโดยลําดับลำดั บ, นนดบจนกระทั่งถึงปัจจุบันถึงพวกเหล่านี้ทำเป็นธรรมชาติที่สะอาดอยู่เช่นนั้นสาหรับล้างสิ่งรรโสโครกโสหมองของสัตว์โลกถ้าเราคิดตามธรรมนาของเรา อยเปิเดเผยอย่งโลกที่สมมติตัวทั่วไปเพราะว่าเรานิสสะอาดที่สุดไม่มีใครจะยิ่งยิ่งกว่าคนงโง่ไม่มีใครจะอจะว่าสะอาดยิ่งกว่าคนโสโครกถ้าพูดตามทำแล้วเป็นอย่างนี้เมื่อเราทราบว่าเราสกปรปกทางใจที่เต็มพระที่เหลือซึ่งเป็นกลิ่นสมมตแล้วเราต้องเป็นผู้มุ่งถ้าออดตายทำเพิ่ม ชาลามดังที่ท่านทั้งหลายได้รุษาธละมีล่มเวลาหน้าที่การงานตลอดถึงชีวิติตใจมาเพาเื่อบําเพ็ญตนนี้จึงเป็นความถูกต้องตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงดาเนินม า, าเรียกว่าอริยประเพณีประเพณีของพุทธบริษัทอันที่ดีงามของพระพุทธเจ้าท่านดําเนินอย่างนั้นจึงขอขอบคุณและอนุโมทนากับท่านทั้งหลายไว้นะโอกาสนี้ด้วย คำที่ว่าพวกเราสกปปกนี่ก็พอจะทราบกันได้คำว่าสกปกสกโปกเพราะอะไรที่โลกนานงให้ดีที่โกรธที่หลงที่สามกองนี้เต็มอยู่บนหัวบนหัวอะไรบนหัวใจนานอันนี้นักปราชญ์ทั้งหลายท่านตำหนิกีเกียนท่านยาขยักขยแยงมาก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 ให้การแสดงออกทุกแงกทุกงุมผิดไปตามๆกันจนกระทั่งกายวาจาที่แสดงมาผิดไปทั้งนัง้นเพราะสิ่งที่ผิดมีอยู่ภาย ใ, ในจิตใ จ, จเท่านั้นไม่ต้องมากมายเลยตัวนั้นเป็นตัวการบระพุจาท่านสอนให้ชำระให้ล้างการตังเทศฟังธรรมก็เป็นการชาล้างจิตใจของตนด้วยธรรมคือในขณะที่ฟังธรรมสัมวัณนามยมิสงสันว่าอันนี้สงเกิด ข, ขึ้นจากการฟังธรรม อายสงก็คือผลที่เกิดขึ้นในขณะที่ฟังนั่นแหละทำให้จิตของเราอย่างน้อยมีความสงบเย็นใจรู้เหตุรู้ผลรู้ทางดีทางชั่วและรู้วิธีที่จะปฏิบัติต่อตอนของตอนข้อสำคัญที่สุดก็คือมีความผ่องใสได้รับความวมืดเย็นในขณะที่ฟังนี่คือผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติราะการการฟังธรรม ถ, ถา้ามีอ น, นิสงฆ์ขว่าอย่างนั้น เราจะไปะคว้าอา น, นิสงส์ที่ไหนถ้าไม่เอาในขณะที่ฟังเพราะการฟังก็คือการทำได้เิดบาเพ็ญเหตุแล้วผลจะต้องเกิดตามมาในขณะนั้นๆมีความสงอบเย็นใจเป็นต้นหากว่ากิเลสอาสวะเป็นเหมือนวัตถุเป็นตัวฆ่าศึกเช่นอย่างสือร้ายเป็นต้นแล้ว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 โรคมันจเจริญมันจเจริญที่ตรงไหนถ้าพูดตามหลักธรรมความจริงแมันจเจริญที่ตรงไหนคนกําลังจะถูกเผาต้องเป็นอยู่เวลานี้แล้วแล้วหาความจเจริญมาจากที่ไหนความจเจริญก็ต้องคือความสงบสุขความสะดวกสบายความเป็นอยู่ภูวายสะดวกสบายหน้าที่การงานสะดวกสบายการคุกคาสมาคมสะดวกสบายอยู่ด้วยกันเป็นหมู่เป็นคณะจะมีจํานวนมากน้อยเป็นความสะดวกสบายไม่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 ถ้าดูตามหลักธรรมแล้วเจริญที่ตรงไหนแล้วย้อนเข้ามาหาตัวของเราอีกวันหนึ่งคืนหนึ่งตั้งกระตื่นขึ้นมาหมุนเป็นเกลียวอยู่ตลอดเวลาเหมือนกงจักรความที่มันหมุนอยู่เช่นนั้นมันเป็นความสุขแล้วเหรือคนเดินทางคนวิ่งเป็นความสุขเหรือต้องพักผ่อนให้สบายนอนหลับให้สบายนั่นถ้าฐานที่เต็มไปด้วยโรคด้วยภยัยท่าเจ็บทั้งเจ็บหัวปวดท้องเต็มอวัยวะ คนนั้นมีความสุขแล้วหรือเห็น ท, ที่เลียดมันช้อนมันชายมันกัดมันฉีดอยู่ตลอดเวลาทุกอาการที่เคลื่อนไหวแห่งจิตใจและ้วะเจริญแล้วเหลืออย่างนั้นความกัดทั้งมันผลที่เกิดขึ้นจากความกัดความฉีดของที่เลียดนันก็มีแต่ของทุกทั้งนั้นหาความสุขไม่มีแล้วเราความสุขจากที่ไหนย้อนมาดูตัวของเรามันก็เป็นไฟภายในใจิตใจเพราะที่เลียดก่อไฟอยู่ตลอดเวลาอืม ราคขินาโทสักขินามหขินานั่นตั่งเอือไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะไฟคือความโลภความโกรธความหลง ม, มันเผาที่ทจิตจิตใจไฟไม่ว่าจะก่อที่ไหนมันร้อนทั้งนั้นไงถ้าไฟนี่มันสว่างโทมงขึ้นมาภายในใ จ, ใจิตใจไฟราคะโทสะโมหนันมันสว่างจริงสำหรับ ตัวที่เด็ประเภทนั้นแต่เรามืดลงทุกทีอันตการเรณโอนัธาท่านว่าตามหลักธรรมท่านสอนไว้ว่าโกนุฮาโซจิ ม, มานันดนิจจังปฏิชิเตสติอันตการเรณโอนัธาปฏิปังนัตเวสถาขั้นเมื่อโรคสารนิวาสนี้เต็มไปด้วยความมืดมนอันตการเพราะอำนาจแห่งที่เด็ดทันหามันแผดเผาอยู่ตลอดเวลาพวกท่านทั้งหลาย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 ฟังด้วยความถึงใจแล้วทําไม่จิตใจจะมีไม่มีความขยิหิมไม่มีความพอใจที่จะแก้ไขกิเลสตัณหาอสะซึ่งมันเป็นภัยทั้งกองอยภายในจิตใจของแต่ละคนอย่างเต็มเมด็ดเต็มหน่วยแล้วกิเลสทำไมจะไม่หลุดลอยออกไปเมื่อได้ทําลงด้วยความถึงใจเห็นโทษของกิเลสด้วยความถึงใจเช่นนั้นเนกิเลสมันจะทนอยู่ได้หรือจากความเปียนของผู้ที่รู้ภัยรู้โทษของกิเลสอย่างถึงใจเช่นนั้น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 แล้วเราจะหาผลมาจากไหนอันนี้เมื่อมีแต่พิธีเต็มจิตเต็มใจเต็มอาการทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและในงานนั้นๆพิเรนต์มันมีพิธีที่ไหนเวลามันจะกัดกขี่หัวขดมันมีพิธีไหมเราดูสิมันตั้งท่าตั้ ง, งทางยกครูยกคันมากพิเรนการแสดงอย่างนั้นชื่อว่ามีพิธีอืม ความโลภมันเกิดขึ้นมาทันทีถึงเมื่อได้โอกาสที่มันจะแสดงความโลภแสดงความโกรธแสดงความหลงแสดงอาการออกมาด้วยทิเลสประเภทต่างๆมันแสดงขึ้นมาทันทีไม่ได้คอยหาพิธีรีตองเหมือนอยาพวกเราที่จะฆ่าทิเลดแล้วฆ่าพอเป็นพิธีทำพอเป็นพิธีมันจะข้ากันได้ไหม น, นั่นเราคิดกลัวามากไหมถ้าทีเลด เป็นเหมือนกับเสือร้ายตัวหนึ่งดูบนหัวใครหัวเราทุกคนมีแต่เสือบุมกัดอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนมองไปไหนมีแต่เสือบุมกัด อ, อ ว, วัยวาจนเจ่มีเหลือมันกัดมันขีดไปเช่นนั้นมันก็ขีดไปเรื่อยเดินไปมันก็ขีดกัดไปเรื่อ ย, อยเราจะดูได้ไหมดูไม่ได้เลยแต่ น, นี้กิเลสมันไม่เป็นตนเป็นตัวเช่นนั้นมันกัดมันขีดอยู่ภายใน แล้วยังเรายังนอนเคลิ้มมันกัดมันฉีกอย่างสบายไปอีกนั่นนะแล้วจะหาทางแก้กิเลสได้อย่างไงเมื่อไม่ทราบว่ากิเลสและไม่ทราบความกัดของกิเลสไม่ทราบของความทุกข์ที่กิเลสสร้างขึ้นมาบนหัวใจแล้วจะหาทางแก้ไขกิเลสได้อย่างไรอันนี้แหละที่มันไม่ทันคนมายาของกิเลสเราจึงต้องยอมมันเรื่อยๆไป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 แต่เวลาจะบำเพ็ญทำมันพอเป็นพิธีพิธีนี่แล้วมันไม่ทันเหตุทันการไม่ทันกับคนมายาของจิเลศจึงต้องยอมเป็นคนอาภัพของจิเลศให้จิเลศย่ำยีขู่รีดอยู่นั่นกดขี่บังคับอีกทั้งวันทั้งคืนทั้งปีทั้งเดือนทั้งพบทั้งชราติตลอดกับตลอดกันยังไม่สามารถจะทราบได้ว่าวันไหนเราจะพอทราบเงาของจิเลศบ้าง ว่ามันทําเราด้วยวิธีอะไรบ้างมันมีเงาบ้างไหมที่เดชทําเราพอถ้าไม่เห็นตัวมันพอเห็นเงามันก็ยังดีเห็นอย่างเขาตั้งหมดัดตั้งมัวเนี่ยมองเห็นเง า, เาก็ยังน่าดูไม่เห็นตัวคนเราเป็นมองดูเงามันก็ยังน่าดูแตนี้ไม่เห็นเฉกระทั่งเงาของทิเดชฆ่าคนทําลายคนเบียดเบียนคนทรมานคนกดขีข่บังคับคนแล้วเราจะไปแก้ทิเดชได้ที่ตรงไหนเมื่องเงาก็ไม่เห็นเลยไม่ต้องพูดถึงตัวทิเลี่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 ทั้งเงาของกิเลสทั้งตัวของกิเลสเพมันมาด้วยเหตุใดผลใดมันมาด้วยอาการอะไรผู้ที่ออกต้อนรับคือเรื่องจิตใจของเรามันออกต้อนรับกิเลสยอมรับกิเลสก็ดีมันยอมรับเพื่เหตุใดเราจะทราบในขนาดนี้เมื่อเราทราบแล้วเราก็มีทางที่จะแก้ไขดับดับเทอะเอา้าตั้งสติลงที่ตัวรู้คือใจนั่นแลตัวขนองอยู่ตรงนั้น ทำไมใจจี่ขอนองเพราะกิเลสทายผ่อนนองพาใ้ลิ่นวัดแ่งจะแสดงขึ้นมาจากจุดนั้นเมื่อมีสติแล้วจะรู้ความกระเพื่องของจิตเ<อ>บื้องต้นเรากาหน ด, ดให้รู้อย่างนี้แล้วพยายามกาหน ด, ดให้รู้แล้วมีบทธรรมเป็นเครื่องกำกับห<อ>รือว่าไม้ค่อยตี อ, อาศัยไม้คือบทธรรมบทนั้นๆคอยกำกับไม้มันโผล่ขึ้นมาได้ตีด้วยบทธรรม ให้ถี่ยิบลงไปเช่นพุโทพธโธพทโธเป็นต้นแล้วจิตจะมีความสงบเมื่อสงบแล้วจะเย็นลงไปเย็นลงไปสงบแน่วลงจริงจริงนานแหละคุณค่าแห่งความสงบจะเห็นประจักษ์ในขณะเดียวกันจะเห็นโทษแห่งความฟุ้งซ่านของจิตว่าก่อความทุกข์ให้เรามากน้อยเพียงไรเพราะความฟุ้งซ่านนั้นนั้นนานนี่เป็นสาเหตุที่จะให้เราทราบในวาระต่อไป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 ย่อมีความแก่กล้าขึ้นได้และเมื่อได้รับการบำรุงส่งเสริมอยู่เสมอปัญญาก็สามารถได้เฉลี่ยฉลาดได้คนเรานี่ไม่ใช่จะโง่อยู่ตลอดเวลาถึงคขาฉลาดฉลาดถึงเวลาจะฉลาดฉลาดได้ถ้าจะของคนใจเพื่อความฉลาดนอกจากจะนอนอยู่เฉยเหมือนหมูอยู่ในตมในโคนเท่านั้นจะหาความฉลาดไม่ได้จะมาช่า่งวันตายและตลอดกับตลอดกันจะจมอยู่ในวัฏสงสารตลอดไปเพราะความโง่พาให้จมพวกเราจะไม่ ไม่ใช่ผู้ต้องการจะจมเพื่อความโมโหเท่านั้นเรามาสะแสวงหาความฉลาดเพื่อจะปลดเพื่อความโมโหส่นให้ดีขึ้นจากตมจากโคนทั้งหลายคือกิเลสทวารประเภทต่างๆกลายเป็นอิสระเสรีขึ้นมาเราต้องทําความพยายามให้ทราบอย่างนี้ผิดสงบด้วยการบังคับด้วยความมีสติโดยอาศัยบทธรรมเป็นเครื่องกํำกับ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 ความสงบก็จะมีความชำนิชำนาญไปโดยลำดับอ่าเราจะพิจารณาแยกแยกเหตุผลต่างๆถึงจิตมันไปเกี่ยวข้องสิบพันกับเรื่องอะไรเจืิ่งกายเป็นไฟขึ้นมาเผาตัวเองก็จะทราบทั้งร่องรอยและตัวเหตุตัวผลของมันอีกด้วยจิตมีความรู้อันเดียวเท่านั้นชติมีความระลึก และดับไปดับไปเรียกวิสติปัญญามีความอสอดส่องความค่้ครวญค่้ครวญก็ค่อยพนเรื่องของตัวเองนั่นแหละอันนี้จังนะท่านว่านี่เป็นแผนของปัญญานะทุกขังพนัสตานี่เป็นแผนเป็นแนวทางเดินของปัญญาจึงเรียกว่าหินลับปัญญาพิจารณาเรื่องอันนี้จังมันเป็นอะไรอันนี้จังมัน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 ปาดทันทีย้อนกลับทันทีกระตุกตัวเองทันทีเพราะความร้อนมันแผดเผาทนอยไม่ได้นั่นมันชินเหลืออย่างนั้นเนี่ยพี่จะหนาเขาเห็นชาติด้วยปัญญาถึงใจงอย่างนี้คําว่าอนัตตามันก็ฟังมันว่างไปหมดนี่เราเสกเฉยเฉยว่านั่นเป็นตัวนั่นเป็นตนนั่นเป็นสัตว์นี่เป็นบุคคลแม้แต่ก้อนธาตุที่อยู่ในร่างกายเหล่านี้ มันก็ว่างจากความเป็นตนเป็นตัวอยู่แล้วโดยธรรมชาติท่องมันแต่เรามาเสกก็มันเป็นก้อนเป็นกลุ่มแล้วก็รวมจากนั้นก็ว่าเป็นเราเป็นของเราเนี่ยธรรมชาติจริงๆแล้วอนัตตามันว่างจากความเป็นตนเป็นตัวเป็นสัตว์เปคลไปหมดแล้วโดยหลักธรรมชาติภาในพิจารณาให้เห็นตามหลักธรรมชาตินี้จิตจะได้ถอยตัวเข้ามาจากความลุ่งหลงนั้นั้นแล้วปล่อยความกังวลได้ในสภาวะทั้งหลายซึ่งเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ทราบโดยทางปัญญาทราอย่างนี้จิตเมื่อได้ถอดถอนตัวหรือได้เปิดเผยรือฟื้นสิ่งปิดปังทั้งหลายโดยความรู้ชัดว่าสิ่งเหล่า น, นั้นเป็นในจังหวะของาซารแล้วทําไมจิตจะไม่โลง่งทําไมจิตจะไม่สว่างสวัยทําไมจิตจะไม่เบาทําไมจิตจะไม่อัศจรรย์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 มันเปิดเอาไฟเปิดเอาไฟอุปทานความดิ้มัน่นถือมัน่นเปิดเคยตัวเอาไปโดยลำดับลำดับความสว่างกระจ่างแจ้งของจิตความเป็นลักษณะของจิตในอีกขั้นหนึ่งนั้นไม่ต้องถามเบาหอยู่ที่ไหนคืนเบาไปหมดแต่ก่อนเคยแบกนอนก็แบกนั่งก็แบกทืนก็แบก แบกถึ bad, งนั่นแะแบกอุปทานความหนักภูเขาทั้งลูกว่ามันใหญ่มันโตมันหนักเราเล่นเคยแบกบ้างแล้วหรอภูเขาเราถึงจะเศราบมันหนักฮะล้วไม่เคยแบกเราจะไปหารพูดเลยดูตัวมันที่มันหนักคือเบนจ์ขันนี่นักฮะมันหนักที่ตรงนี้ยิ่งมีความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วลูกไม่ขึ้นต้องให้คนอื่นช่วยพยุงช่วยเขาเจ็บอีกหนักเขาอีกด้วยคานเจ็บคานปวด ในอวัยวะต่างๆนั่นมันทั้งหนักทั้งเจ็บทั้งปวดเลยเพิ่มเป็นเรื่องหนักไปหมดนี่แหละตัวหนักจริงๆท่านจรียว่าภาราเฮเวตันจากขั้นถากพาระอหนักจริงๆก็คือเป็นจกขันนั่นถ้ามาได้บอกว่าภาระอันหนักจริงๆคือภูเขานะท่านไม่เห็นว่าเ น, นีเ่ยเรานพุจธนาเห็นจริงอย่างนี้อันนี้แหละเป็นเครื่องทับจิตใจของเราจ่าพุทนาให้รู้ในอาการทั้งห้านี้มันคือไตรลักทั้งนั้น เราจะไปอาจหารจะไปเอื้อมจะไปจาบจะไปยืดจะไปแบกมันหนักเออถ้าไปแบกมันหนักถ้าปล่อยเสียมันก็เบาต่อยด้วยปัญญาให้รู้ท่าตามจริงนะะิดเถินนิ่อ่ามีความรื่นเดินบันเทิงดูที่ไหนรื่นเดิง คือในป่านั้นเขาอดอีมเป็นตายอะไรทั้งนั้นนี้แต่ความรื่นเริงบันทึงธรรมปีติสุขขังเสตติผู้มีปีติในธรรมย่อมอยู่เป็นสุตอันนี้ยังอยากตาอถึงเข้าถึงขั้นนั้นแล้วหรือจะว่าใละเอียดถึงภูมินั้นธรรมธรรมก็มีหลายขั้นอ้าวถูกต้งองทำขั้นนั้นปีติในธรรมขั้นนั้นแต่ปีติอย่างละเอียดเช่นเดียวกัน มีความอยู่เป็นสุกนอนก็เป็นสุขนั่งก็เป็นสุขยืนเดินอะไรเป็นสุขทั้งนั้นโอดอีนเป็นสุขสบายแตหมดหมดความกังวลหมดภาระเป็นเครื่องกดทุ่งิีใจเอเ้าเพื่อมันสิ้นซากไปใท้หมดไม่มีอะไรเหลือต้นไม้เราตัดกิ่งตัดกา้านตัดต้นมันออกหมดเอา้ายังเหลือหัวตอรากแกเราขอยขุดค้นมันขึ้นมาเอาเผาไปเสียให้สิน้น ชาไปเสียหมดเท่านั้นต้นไม้ตัวนั้นไม่มีทางเกิดได้อีกเลยฮะจิตก็เหมือนการถอนหน้าคแจวมันซึ่งอยู่ภายในจิตท่านเรียกว่าอภิชามันปล่อยอะไรเลยหมดแต่ตัวห้องจะคลองกับนาอัจจัรย์อ้อยอิงอยู่กับความสง่ญญ า, าพาเผยความละเ อ, อียดละอ่อนอุปเรื่องของจิเลตประเภทละเอียดพิจารณาเข้าอีกให้พอ นี่ก็คือกองไตรลักษอีกเช่นเดียวกันอย่าถือว่าเป็นเราเอะมันเราอะไรนี่คือกองให้จังทุกของหน้าตาตัวกิเลสตัวภัยนั่นว่าเป็นเราอยู่เหรออ อ, อความฟองใสที่ควรจะผ่านไปได้ถือไว้ทําไมนั่นอันนี้ก็คือกิอเลสประเภทหนึ่งนี่เวลาย้อนเข้ามามันไม่มีเวลาพิจารณาจริงมันก็ต้องย้อนเข้ามาพิจารณาถึงทำถึงทำขั้นละเอียดสุด สับเบธัมมานาลังอณิเวสา่ายะด้วยมันนะทำทั้งปวงไม่ควรถือมั่นา น, นั่นจุดสุดท้ายและสัเพธัมมานะตาทั้งปวงเนี้เป็นอนัตตาทั้งสิ้นนี่ไม่ว่าจะเป็นส่วน ย, ยาส่วนละเอียดความปองสายความเศร้ามองอะไรทั้งหมดที่มีอยู่ภายในจิตโดยเฉพาะเป็นอนัตตาทั้งสิ้นนั่นพิจณาอีกทีเช่นเดียวกับสภาวะธรรมทั้งหลายเป็นธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาทั้งหมด ทำต้องกวงที่ไม่ควรถือมั่นกับชิงอันอนี้เองที่ไม่ควรถือมั่นพอเต็มที่เต็มภูมิของปัญญาและศาสตร์ภาพเดียวหมดมเมื่อสมมุติโดยประการทั้งปวงไม่ว่าหยาบกลางละเอียดได้ชิ้นสุดไปจากใจแล้วปัญหาอะไรที่จะมีอีกต่อไปไม่มี หมดนั่นละ่ะท่านผู้หมดทุกท่านหมดอย่างนี้นี่แหละคือ ผ, ผู้เหนือพิเรศพิเลศจะได้มากรัดมาฉีกเหมือนเสือโคร่งตัวหนึ่งดังที่กล่าวมาแล้วนี้เป็นอันว่ายุติกันเพียงเท่านั้นเออถูกฆ่าหมดให้ทิพไายไม่มีหรือว่าเลยพิเลศทุกประเภทซึ่งเปรียบเหมือนเสือโคร่งฆ่าด้วยสติปัญญาอันแหลมคมคือมหาสติมหาปัญญาซึ่งทราบกันหมดอ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 เพราะส่วนขาคัรธรรมนั้นท่านเรียกว่ามาัดกิมมาทัานต่อเหตุการณ์ในตลอดเวลาไม่ว่าจะเหตุการณ์ใดของกิเลสที่แสดงขึ้นมามัดกิมาปฏิวัติเป็นอาวุธที่ทันสมัยฟาดฟันกิเลสให้แหลกกระจายไปหมดไม่มีอะไรอยเหลือเลยท่านจึงเรียกว่ามัดกิมาเหมาะสมตลอดเวลากับการแก้กิเลสกองกุ๊กที่อยู่ภายในใจของศัตรูการแสดงคำกล่าวาหนาสมควรคุณขอริษฐีเกียรติ